ยังอยู่และควรทําอะไรดีหัวข้อรู้สภาวะธรรมตอนสํารวจความพร้อมบรรลุมรรคผลพุทธพจน์หนึ่งรู้ชัดว่าสติสัมผัสชงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 2. รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมผัสชงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 3. รู้ชัดว่า วิริยะสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตสี่รู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตห้ารู้ชัดว่าปัสสิสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตหกรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตเจรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงมีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิตอนหนึ่งโพจนชงทั้งเจประการที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยโพจนชงทั้งเจประการที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยข้อความจากมหาสติปัฏฐานสูตรธรรมานุปัสสนาโพชนชงคาบัพะ ลงมือปฏิบัติเมื่อเจริญสติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามลำดับโดยไม่เลิกล้มกลางคันนักเจริญสติรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุมรรคผลด้วยการมีปกติเห็นว่ากายใจไม่ใช่บุคคลไม่แม้กระทั่งอยากได้มรรคผลเพื่อตนเองเพราะอุปาทานว่ามีตนลดน้อยลงทุกที อย่างไรก็ตามความรู้สึกเข้าใกล้มรรคผลมีหลายแบบแบบไม่รู้อะไรเลยแต่นึกว่ารู้ก็มีแบบย้ำหลอกตัวเองให้เชื่อว่าเข้าใกล้ภาวะบรรลุมรรคผลเข้าไปทุกทีก็มีแบบสําคัญผิดคิดว่าภาวะของจิตบางอย่างเฉียดมรรคเฉียดผลก็มีตัวความรู้สึกจึงไม่ใช่เครื่องประกันที่ดีตรงข้าม อาจลวงเราให้ไขว้เขวมัวหลงเมากิเลสรูปแบบใหม่ก็ได้เราจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ตรวจสอบคุณภาพของจิตว่าพร้อมบรรลุมรรคผลจริงและเป็นหลักเกณฑ์ชนิดที่เราสามารถเทียบวัดได้ด้วยตนเองอาศัยประสบการณ์ภายในมาตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่โดยภาวะดีๆทางใจที่เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า จนแล้วนั้นรวมเรียกว่าโพชงมีอยู่เจ็ดประการดังนี้ 1. มีสติเป็นอัตโนมัติสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้และไม่ใช่อะไรที่สูงส่งพิสดารเกินจินตนาการเอาแค่ง่ายๆอย่างเช่นตอนนี้กายนั่งอยู่ รู้ไม่ว่ากายนั่งอยู่ถ้ารู้ก็นั่นแหละปากทางไปนิพพานอย่างไรก็ตามสติชนิดที่พร้อมจะพาไปถึงมรรคถึงผลได้จริงนั้นหมายถึงรู้ได้เองและรู้อยู่เรื่อยๆไม่ต้องคอยสมมุติไม่ต้องคอยคุมสติไม่ต้องคอยระวังตั้งใจเปลี่ยนท่านั่งก็รู้เปลี่ยนจากสบายเป็นอึดอัดก็รู้ เปลี่ยนจากสงบเป็นฟุ้งก็รู้เปลี่ยนจากจิตดีๆเป็นจิตตกก็รู้เปลี่ยนจากปลอดโปร่งเป็นกระโจนออกไปหาเหยื่อล่อทางหูตาก็รู้กล่าวโดยย่นย่อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็รู้อยู่อย่างเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เวลาส่วนใหญ่เผลอเมือ่อหรือหลงลืมไปว่ากายใจเป็นอย่างไรแล้วนานๆนนที ค่อยมานั่งนึกเอาว่าตอนเนี้ยเราทำอะไรอยู่การตั้งสตินั้นยิ่งจงใจออกแรงเพ่งมากขึ้นเท่าไหร่ตัวตนและมโนภาพแบบนักเพ่งก็ยิ่งเ ข, เข้มข้นขึ้นเท่านั้นต่อเมื่อออกแรงเพ่งน้อยลงอาการยึดสิ่งที่เพ่งจึงค่อยเบาบางลงและที่สุดเมื่อสติเป็นอัตโนมัต รู้เองอย่างไร้ความจงใจก็เท่ากับขาดชนวนของตัวตนตั้งแต่เริ่มการฝึกรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่เริ่มจะมีส่วนเกื้อกูลให้เกิดสติอัตโนมัติข้อนี้เป็นอันมากเพราะคุณจะได้ฝึกออกแรงรู้ให้น้อยที่สุดกระทั่งจิตเกิดอาการไม่เกี่ยงงอนว่า จะให้รู้สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบและพัฒนาเป็นความเคยชินที่จะรู้ไปทุกสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นไม่ว่าลมหายใจอุริยาบทสุขทุกสภาพจิตตลอดจนสภาวะธรรมหยาบและละเอียดทั้งปวงเมื่อไร้ความจงใจจะเกิดสติแบบรู้ตามที่ปรากฏไม่ใช่เลือกรู้แค่สิ่งดีๆที่อยากให้ปรากฏ คุณจะตระหนักว่าแม้ภาวะแย่ๆของกายใจก็ถูกรู้ได้เช่นพุดความคิดไม่ดีขึ้นมาหรือเกิดอาการห่อเหี่ยวทางใจขึ้นมานไหนๆมันก็มาให้ดูแล้วสติอันเป็นอัตโนมัติจะไม่ปล่อยให้หลุดมือเสียของไปเปล่าๆเลยสอง มีการพิจารณาสิ่งถูกรู้ด้วยปัญญาเมื่อสติเป็นอัตโนมัติดีแล้วก็ได้ชื่อว่าเท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามจริงและการมีความสามารถล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ตามจริงนั้นก็จะพลอยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบเป็นผู้ทรงปัญญาเยี่ยงพุทธแท้ คือมีสติรู้ภาวะที่เกิดขึ้นตรงหน้าสดสดร้อนๆ้อนและรู้เห็นโดยความเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาแต่หากปราศจากการเห็นโดยความเป็นของเกิดดับก็ไม่ได้ชื่อว่าจิตมีปัญญาเห็นตามจริงแค่เห็นไปอย่างนั้นเองยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าตนสามารถรู้สึกตัวได้เรื่อย จะขยับเคลื่อนไหวท่าไหนรู้หมดเท่าทันไปหมดอันนั้นก็อาจจะจริงอยู่ทว่าเขารู้ด้วยอาการยึดมั่นว่ากายของเขาขยับกายของเขาจึงดูเป็นสิ่งคงที่อยู่ต่อเมื่อเขารู้สึกตัวด้วยอาการเห็นจริงว่าทาดขันมันขยับกายของเขาจึงปรากฏตามจริงว่าเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆ เปลี่ยนลมเข้าออกไปเรื่อยๆเปลี่ยนไออุ่นไปเรื่อยๆกล่าวแบบเฉพาะจ่อจงให้เห็นภาพชัดขึ้นการมีสติรู้ว่ากายขยับนั้นนักยิมนาสติกจัดว่าเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายเท่าแต่ก็ไม่มีใครบรรลุมรรคผลเพียงเพราะเล่นยิมนาสติกเก่งทั้งนี้เพราะจิตยังถูกหลอกว่า มีตัวเราขยับได้อย่างเก่งกาจหรือกายเรายืดหยุ่นว่องไวเหนือคนอื่นอยู่เสมอการมีทั้งสติและปัญญายอมทำให้นัเจริญสติไม่หลงยึดเอาภาวะใดภาวะหนึ่งที่ตนชอบใจมาเป็นเกณฑ์วัดว่าตนใกล้จะถึงมรรคผลดังเช่นที่หลงยึดกันมากกว่าอย่างอื่นเห็นจะเป็นความรู้สึกว่าง พอว่างๆก็มักเหมาว่านั่นคือว่างจากความรู้สึกในตัวตนจึงพยายามกลับไปสู่ความรู้สึกว่างชนิดนั้นท่าเดียวไม่สนใจภาวะทางกายใจที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันที่สุดก็ย่อมติดอยู่กับความรู้สึกว่าตนเฉียดมักเฉียดผลอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิตทั้งที่ยังอยู่อีกห่างต้องเจริญสติเพื่อรู้ตามจริงอีกมาก หนึ่งการพิจารณาธรรมอาจหมายถึงความสามารถในการรับมือกับกิเลสเฉพาะหน้าได้อย่างท่วงทันด้วยเช่นเมื่อเกิดราคะกล้าก็รู้แล้วว่าราคะเป็นสภาวะเด่นให้เห็นชัดในปัจจุบันแต่ราคะยังไม่หายไปเพียงด้วยการตั้งสติรู้นั้นก็เปลี่ยนแผนรับมือกิเลสเส้ใหม่ อาจาระลึกถึงก้อนสเสเลตในลําคอซึ่งทั้งลื่นทั้งเหนียวทั้งเหม็นหากเช่ยวชาญในการนึกรู้สึกถึงความสุขกปรปกได้ชัดก็ยอมถอนราคาได้ทานสถานการณ์นี่นับเป็นตัวอย่างของปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นข้อธรรมมารับมือกับกิเลสเฉพาะหน้าอย่างถูกฝาถูกตัวส มีความเพียรพิจารณาธรรมเมื่อปัญญาในการเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเต็มที่สิ่งที่จะตามมาเป็นธรรมดาคือความเพียรไม่ย่อหย่อนเพราะพบแล้วว่าหลักสำคัญของการเจริญสติมีอยู่นิดเดียวนั่นคือมีอะไรให้ดูก็ดูให้หมดซึ่งหมายความว่าดูได้ตลอดวันตลอดคืน ไม่ใช่เข้าสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วค่อยเริ่มความเพียรกันแบบหน้าดำาคร้่องเครียดแม้แต่ขณะที่รู้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นยามขี้เกียจยามเม่อยามฟุ้งซ่านคุณก็ถูกฝึกให้รู้สึกตัวมาแล้วว่ากำลังขี้เกียจกำลังเม่อกำลังฟุ้งซ่านโดยเห็นว่าภาวะเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเรา เกิดได้ก็ดับได้ถ้ามีภาวะขยันอันเป็นปฏิปักษ์มาแทนที่นักเจริญสติมักปักใจเชื่อผิดผิดนึกว่าความเพียรหมายถึงการย่ำทำอะไรซ้ำๆอยู่กับที่ให้ต่อเนื่องนา น, น, านๆเช่นการนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงไม่พักโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพเอาเลย การนั่งหลายชั่วโมงด้วยความฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ติดนับเป็นความเพียรที่ศูนย์เปล่าไม่เกื้อกูลให้สติเจริญขึ้นเลยผลของการเพียร น, นานแบบผิดๆนั้นคือการเหนื่อยหน่ายเข็ดขยาดท้อแท้เพราะไม่เห็นความก้าวหน้าแต่หากความเพียรยืนพื้นอยู่บนการพิจารณาธรรมโดยไม่เกี่ยงงอนว่าเป็นภาวะใดเช่น ขณะนี้รู้สึกพราเลือนไม่พร้อมจะตั้งสติก็ทำความรู้จักอาการพราเลือนสักนิดหนึ่งดูว่ามันมีสภาพอย่างไรแล้วจะแปลไปเป็นแบบไหนเท่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเพียรแล้วผู้มีความเพียรพิจารณาทุกสภาวะธรรมย่อมร่าเริงในการเห็นสภาวะต่างๆในขอบเขตกายใจ ว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปจริงๆทั้งหมดแต่ผู้เพียรสร้างแต่สภาวธรรมที่น่าพอใจย่อมหดหูแบบไม่รู้ตัวเพราะพบกับความล้มเหลวไม่ได้อย่างใจร่ำไป สี่มีความอิ่มใจในการเท่าทันสภาวะธรรมเมื่อความเพียรพิจารณาธรรมแก่กล้าเต็มกำลังสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความอิ่มใจและความอิ่มใจในที่นี้ก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับความสมหวังน่าชื่นมื่นแบบกิเลสกิเลส เ, เพราะเป็นความอิ่มใจอันปราศจากเหยื่อล่อแบบโลกโลก กับทั้งไม่ใช่ความปลาบลื้มกับการนึกว่าจะได้มรรคผลรํำไรในอนาคตอันใกล้เพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มรรคผลที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้าความเท่าทันธรรมะจะทำให้เราตรหนักว่าความอิ่มที่แท้นั้นไม่ใช่กายได้กินมากเท่าใดกับทั้งไม่ใช่ใจสมหวังเพียงไหน แต่เป็นความพอเป็นความหยุดอยากเป็นการยุติอาการไขว้คว้าเหยื่อล่อภายนอกทั้งสิ้นทั้งปวงถึงขั้นนี้เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้เห็นรั์ภายในหน้าปลื้มใจกว่ารั์ภายนอกยิ่งจิตเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวเท่าไหร่ก็เหมือนรัพภายในยิ่งเพิ่มยิ่งเอ่อทนล้นอ ก, อกมากขึ้นเท่านั้น หากปราศจากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้วใจเราย่อมทยานออกไปควยคว้าเหยื่อล่อภายนอกไม่รู้จบรู้สิน้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่คนใดก็คนหนึ่งจะสามารถกระชากความรู้สึกของเราให้ยื่นไปยึดได้เสมอไม่วันนี้ก็วันหน้าหามีความสงบระ ง, งับเยือกเย็น เมื่ออิ่มเอมเปรมใจเต็มที่ถึงขั้นไม่อยากได้อะไรนอกจากมีสติรู้นั้นย่อมตามมาซึ่งความสงบระงับเยือกเย็นเป็นธรรมดากายขยับเท่าที่จําเป็นต้องขยับใจเกิดปฏิกิริยาเท่าที่จําเป็นต้องเกิดปฏิกิริยาแตกต่างจากคนธรรมดาที่มักอยู่ไม่สุขนั่งนิ่งไม่เป็นใจเย็นไม่ได้ ความสงบระงับมีหลายระดับระดับที่กายหมดความกระสับกระส่ายเพราะนอนหลับสบายก็มีระดับที่กายใจผ่อนพักหลังสะสารการงานยุ่งเหยิงเสร็จสิ้นก็มีระดับที่จิตใจสงบสุขเพราะเรื่องร้ายผ่านไปก็มีระดับที่กายใจหยุดกระโจนไปหาการมก็มีระดับที่จิตดับความเร่าร้อนของเพลิงพยาบาทลง ด้วยน้ำใจอภัยได้ก็มีแต่ความสงบระงับที่กล่าวมาทั้งหมดยังด้อยคุณภาพนักเมื่อเทียบกับความสงบระงับในขั้นนี้เพราะในขั้นนี้จิตอิ่มใจในธรรมจนไม่อยากกลับไปหากิเลสอยากตีตัวออกห่างจากกิเลสแล้วเมื่อจิตไม่เอากิเลสกิเลสย่อมปรากฏเป็นของอื่นเป็นของแปลกปลอมจากสติ ผู้รู้ผู้เห็นยากที่จะกดดันกายใจให้กระสับกระส่ายได้อีกเครื่องชี้วัดว่าเรามาถึงความสงบระงับจริงคือยังมีสติเป็นอัตโนมัติโดยการปราศจากแรงดิ้นใดๆลองสังเกตดูง่ายๆตอนที่เปลี่ยนจากความสงบระงับเป็นฟุ้งซ่านหากรำคาญตัวเอง อยากสงบให้ได้อย่างใจทันทีตลอดจนออกแรงกดจิตให้นิ่งตามเดิมอันนั้นเป็นตัวบอกว่ายังมีแรงดิ้นอยากสงบอยู่ยังไม่ใช่ของจริงแต่หากฟุ้งแล้วรู้ทันว่าฟุ้งโดยไม่อินังขังขอบไม่ดิ้นรนใดๆกระทั่งความฟุ้งแสดงความไม่เที่ยงด้วยการระงับไปเองอย่างเนี้ยจึงเรียกว่าของจริง เพราะแม้แต่แรงดิ้นที่จะสร้างความสงบก็ไม่มี 6. มีความตั้งมั่นเมื่อจิตระงับความกระเพื่อมไหวเหมือนแผ่นน้ำกว้างใหญ่สงบราบคาบจากใจกลางถึงขอบฟังสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความตั้งมั่นแห่งจิต และไม่ใช่ตั้งมั่นทื่อๆแบบไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นความตั้งมั่นอยู่อย่างรู้เห็นทราบว่ากายใจสักแต่เป็นสภาวะไร้บุคคลเกิดภาวะหนึ่งแล้วต้องเสื่อมจากภาวะนั้นเป็นธรรมดาเพื่อเข้าใจความตั้งมั่นแห่งจิตในที่นี้อย่างแท้จริงก็สมควรอาศัยการเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเจริญสติ คือตั้งแต่เราเกิดมาจะมีความตั้งมั่นชนิดหนึ่งอยู่เองโดยธรรมชาตินั่นคือตั้งมั่นในความรู้สึกอยู่ว่ากายใจนี้คือเราต่อเมื่อเจริญสติกระทั่งกายใจไม่กระสับกระส่ายสงบระงับเยือกเย็นบริบูรณ์จึงถึงความตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราไม่ว่าขยับท่าไหน เกิดปฏิกิริยาทางใจหนักเบาเพียงใดก็ล้วนเป็นภาวะแห่งรูปเป็นภาวะแห่งนามไปทั้งสิ้นความตั้งมั่นในอาการไร้อุปาทานจะทำให้จิตปรากฏเด่นดวงมีความเป็นใหญ่จิตรู้จิตเองมากกว่ากายและเครื่องกระทบภายนอกน้อยใหญ่ ก็ไม่มีอิทธิพลพอจะทำให้หวันไหวเสียการทรงตัวลดระดับความสามารถรับรู้ตามจริงเลยในช่วงขณะที่มีความตั้งมั่นระดับนี้ 7. มีความเป็นกลางวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นจนความยินดียินร้ายทั้งหลายหายเงียบ สิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความรับรู้อย่างเป็นกลางวางเฉยเป็นความวางเฉยที่เงียบเชียบยิ่งคือรับรู้อยู่เงียบๆถึงการผ่านมาแล้วจากไปของสรรพสิ่งไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เห็นใครตายก็รู้เท่าทันว่าแค่ภาวะแห่งรูปหนึ่งดับไปหรือแม้เห็นความคิดแย่ๆ ขุดขึ้นในหัวก็รู้ว่าแค่ภาวะแห่งสังขารขันเกิดขึ้นไม่มีบุคคลอยู่ในที่ไหนไหนทั้งภายในและภายนอกความมีใจรู้อย่างเป็นกลางเต็มที่ก็คือปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองและการปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองเป็นคุณภาพของจิตที่พร้อมจะถึงฌานในแบบมัตผล เมื่อถึงความพร้อมบรรลุมรรคผลจิตจะคล้ายฟองสบู่ที่พร้อมแตกตัวหายวับโดยไม่ใหญ่ดีกับการมีการเป็นของตนมโนภาพบุคคลเหลือน้อยหรือไม่มีเลยสุดท้ายไม่มีการได้อะไรให้ใครการเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผ่านกิเลสว่ามีตัวตนมีคนได้อะไรตังหาก ที่ถึงมรรคผลจะอยู่ถัดไปอีกไม่นานคุณจะรู้ว่าจิตสามารถลูกโลงเป็นไฟล้างกิเลสเป็นลูกไฟมหัศจรรย์ที่ฉายให้เห็นมหาสมุทรแห่งความว่างคือนิพพานเกิดลูกไฟนี้เพียงครั้งเดียวชีวิตของคุณจะแตกต่างจากเดิมไปจนสิ้นกาลนาน ส่งท้ายเรื่องน่าเสียดายในชีวิตมีหลายเรื่องแต่เรื่องน่าเสียดายที่สุดในชีวิตมีอยู่สี่เรื่องเรื่องแรกน่าเสียดายถ้าก่อนตายไม่ได้ศึกษาพุทธพจน์เรื่องที่สองน่าเสียดายถ้าศึกษาพุทธพจน์แล้วไม่เลื่อมใสเรื่องที่สาม น่าเสียดายถ้าเลื่อมใสพุทธพจน์แล้วไม่ปฏิบัติตามเรื่องสุดท้ายน่าเสียดายถ้าปฏิบัติตามพุทธพจน์แต่ไม่ต่อเนื่องจนตลอดรอดฟังจบหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปเขียนโดยดังตริน บันทึกสิ่งอ่านและจัดทำซีดีเพื่อเผยแร่แจกฟรีโดยโจโชเผยแพร่แจกฟรีได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้ามจาหน่ายขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเปียโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับ ร่างกายตั้งอยู่กลิ่นทูชุดดังดอกไม้รอบกายของเธอรูปเธอรอยยิ้มภาพครั้งสุดท้ายเกิดมาเพื่ออะไรทำไมไม่รู้เธอจะลองคิดดูบ้างหรือเปล่า ยังไงเธอไม่เตรียม <S ý> ตัวเธอต้องจากกันไปเธอได้จากไปแล้วโอกาสแก้ตัวหลุดลอยหายไปตอนยังมีลงหายใจไม่เคยสนใจชีวิตว่าจะรู้ว่าจะคิดได้กุาย Said I, "They're k i l l i n the คุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นเธอปล่อยมันไปเธอคิดชีวิตต้องอยู่อีกยาวไกลเสีย ด, ด้คนตาย